You know แม่ ที่เราต้องกันแค่ที่เราต้องกันเท่านั้น อาเจอ่ะเอไม่ใช่พระจันทร์ยัง ฉันคงตรงค่านายแลที่โปรดฉันโอเคโอเคโอเคโอเคดูสิมันมันยังไม่ไม่ไม่ไม่เออช้าหน่อยโอ้ช้าลง โอ้เกือบไปใช่ถ้านายกินชนะนายต้องทําเองฉันโอ้ยก็ตึกสีใช่เอามา เพราะมันจริงที่สุดเลยฟ้าไม่เคย ตกลงอัจฉัยฉันจะกลับไปนอนโอย ก็ได้เลยเพื่อนไม่ I am Gotta tell myself Yeah, I'm the man Looks grim right now But pretty soon We'll be laughing about it โชค camera laptop เส้นทางสู่ชีวิตที่ดี yeah ไม่ปลิ 274 วันกว่าจะถึงหน้าหนาแล้วสิทุกคนเตือนนี่บ๊ายไม่ไม่ยังเร็วๆ ฉันหมกบางอย่างมาขอบคุณโอ้ฉันจริงๆโอ้พระช่วยโอ้ดูสิสิขอๆ3 แหม ใช่คนเค้าแหลมที่เด็กๆได้ยินที่แม่พูดแล้วนะตอนนี้ฟังพ่อดีๆนิ่งกัน ปาร์คเข้ามาแต่มัน แสดงแกล้งตายๆพอเป็นนะรู้มั้ยอีกนี้ผู้ชายดีๆน่ะๆรักเด็ก มันเป็นฉันคิดว่าพวกเธอรู้นะแบบแผนซ้อนเราไม่เคยรู้มาไหร่จะเจอโอ้ขอโทษฟังดูน่ากลัวเกินไปๆ เอ่อสิ่งที่จะบอกก็คือว่ายังโอเคทุกคนที่พูดก็เพราะว่าพวกเราคือมันเกือบจะใช่ๆโอเคแฮมมี่ฮะ เมื่อกี้เธอจะบอกว่าอะไรล่ะกี้เธจะบอกว่าเดี๋ยวโอไม่ อีกกายสุดญาติกดฟ้าช่วยลูกโอ้ยโอ้เฮเตอร์ อุบายอะไรสักอย่างแน่ๆฉันจะไม่กลัวใช่ฉันไม่เคยกลัวสตีฟโอ้ท่านสตีฟผู้เอ่อฉันไม่คิดว่าจะพูด มันมีทางเดียวที่จะรู้ได้ว่ามันคืออะไรมีทางเดียวที่จะรู้เอ้ยสตีฟสตีฟยา เหมือนพวกกรีปลาละสีชมพูเขาต้องมาบนที่ที่พวกเรา ถ้าเกิดเมลอดลุอยู่อย่างนั้นพวกจริงๆแล้วฉันเป็นสัตว์โอ้ไม่มีมารยาทเลย นี่อะไร 135 ไร่ยกๆตรงนี้คุณอยู่ที่นี่ไม่ๆนั่นแหละ 274 วันถ้วน เคยใช่เวลาอาทิตย์เดียวมั้ยเป็นไปไม่ได้ได้แน่ถ้าเราช่วยกันนี่ไม่หางๆ อะไรคืออะไรนะเวลามีอะไรถึงเต้นเนี่ยหางฉันจะสั่นแล้วอยากจะไม่ใช่อะไรที่ เข้าใจแล้วท่องแท้เลยนี่คือบางชิปส์ โอ้ยอมมาอ่านให้โอ้ยรถมันแซ่บมันดีทุกอย่างเลยแล้วหล่นไปครับไปที่นั่นคืนนี้เงียบขอต้อนรับๆไป ฟังนะนะนายจะต้องรับผิดชอบพวกเขากำลังสนุกผมขอรับผิดชอบเรื่องนี้เองในครอบครัวเจ็บตัวขึ้นมานายจะแม่นโอเค ทุกคนนะโอ้โหมันไปเร็วบันดุลูกใหญ่บ้านอะไรอ่ะนี่คือ SUV มนุษย์ขับมันปกติ 1 โหสวัสดีนี่แกรดิสเชิร์ฟก็โอ้โหจายินจายิน พวกเขากลัวเราเหมือนที่เรากลัวเขาตอนนี้ถ้าพวกเขาเห็นเธอ เดี๋ยวจะให้ดูว่าไม่ได้โม้นะปากของมนุษย์ นึกว่าอาหารนั่นคืออาหารนั่นอาหารมากเกินไป พวกเขาเอาไว้ใน และของพวกนี้มันก็เป็นแค่เศษเท่านั้น โอ้ไฟนะอู้นี่นะอื้อฉันโดนระเบิดฉันก็ตกฉัน oh, เฮ้ยนี่นะที่เรียกว่าจิ๊บไม่นี่ โธ่เดี๋ยวสิพี่ยังไม่ได้โอเคโอเคเก็บไปคิดกันมานะไปโอ้ย สวัสดีออสซี่สวัสดีเวิร์นสวัสดี <San> 273 หมดเวลาแล้วอาจารย์วันไม่โอเคไม่ไม่โอ้ เอาอะไรเด็กหม่ามซะเปลือกไม้อืมอันอืมอืม อืมถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาเที่ยวนี่ พวกคุณที่ใช่นั่นมันซึงใจมากเลยนะมันผมเองก็เคยมีนะมีบ้านและคนที่ผมรักเลย แต่ทั้งหมดหายไปเพราะ... รู้มั้ย ใช่รู้สึกดีที่เมลลาโถ่เเวินยังไงเราก็ต้องการคนช่วย เอ้อาทินายอยู่ได้ๆแล้วคุณเป็นแบบกรอบเจ๋งนี่ผมขอทํานี่ ฉันน่ะชอบคุกกี้ใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ เชื่อหรือไม่ทั้งหมดเป็นของฉันหนูฉันฉันๆๆๆฉัน ถ้าเจอกินมันน่าจะเผลอสักอย่างนะโหนั่นมันเดี๋ยวกินโฮกี้เฮ้ยอย่าเมื่อกี้โฮกี้นะเฮ้อมีอ่ะกระเถิบมานี่มาฟังแฮมมี่ เออโอเคเอ่อหมาไม่นะออกจะน่ารักน่ากอดกรอกบ้าไม่ใช่เออไหนนะเออดูดีนี่เนี่ยเอาเอ้าๆท่านราเป็น ผมอยากให้คุณขอบคุณไหนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะซิเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะไม่เอาเสร็จมาเร็วเร็วไปเลยอยู่ข้างหลังนายนะ โอ๊ยอาการของกระลอกบ้าตามหลุดน้ำลายฟู่เข้าเป็นกระลอกบ้าน่ากลัวเฮ้ยไม่ได้ผล เป็นๆแฮมมี่ ไม่อยู่แล้วคุณคือแฮมมี่เดี๋ยวแฮก็จะนั่นน่ะตอนตะกี้เนี่ยยังไงไม่กล้าไปทําโอโทษนะโอ้ฉันคิดว่า พวกมันมันจะลดระดับค่าที่อยู่ของเราจะอยู่เอ่อได้เธอไปห่วงอาหารของเธอไป ใช่เลยเลยอย่าพลักกันมีพลอยใช่นั่นเพราะน้ําตาลเยอะนั่นทํา อืมใช้ได้นั่น hmm, themselves şey Kardeşim, sen kahvaltıyı เซ่แม่ฮะแมชฟัสซาโอ้ปล๋าแล้วคิดตายว้าวมันมาจากไหนจิ้มได้มั้ยฮะไม่ได้สัตว์พวก โอ้โลกรมืดมิดแขนขาเริ่มเย็นท่านเห็นทางไม่ท่านแม่ท่านมานําทางลูกไป แล้วเขาก็ทำเกินไปเค้าก็ทําเกินไปโอ้ได้ไม่เห็นมั้ยได้เด็กเฮ้ย <Kirby> <atte> เบิร์นหลังทุกคน เชื่อว่ามีคนโทรมาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ทาง Dadiofis 5 กิโลตัวผู้ฉันกว่าจะตายโอเคโอเคไปไปไป ขอบคุณทุกคนที่มาชม! เป็นคนดูที่ดีมาก! คน นี่มันอะไรกันเนี่ย? มา ตัวเม่น, เป็นคนดูที่ดีกระรอก โอ้นั่นเอาอีกนั่นมันมากกว่าสุดยอดเย้ สุดยอดทีมไหนจะเสียงโห่ เหมือนที่นายเคยมีหรือเปล่าล่ะอาเจ้นี่ไม่เหมือนกับที่ผมเคยมีฮะ รีมอสสารพัดจริงๆนะรับมอลาวกับตัวจริงๆนะ เซ่สว่างเหรอฉันไม่คิดว่าเค้าเป็นหมอจริงๆคิดยังไงล่ะอาเตอาเตโอ้วู้ๆๆๆ เวินทำอะไรน่ะไม่อย่าถ้าดีนายไปแล้วฉันจะเอาของไปคืนเจ้าฉะนั้นฉันจะเอามัน เราไม่เราไม่เลยไปไม่ได้ไม่เฮ้ยวันหาช้านะอะไร โอ้ไม่เอ้ยไม่ฉันไม่เชื่อนายครั้งนี้ฉันเชื่อมันต่อ เนี่ยควรมา อาซึอาซึโอ๋ได้ๆเกิดอะไรขึ้นน่ะอาหารไม่มีแล้วมีแล้วหายหายไปได้ยังไงถามเค้าเวอร์ฉันเอามันไปโอ๊ยใช่ อ้าวนั่นหมายความว่ายังไงอาหารหาด้วยวิธี หางฉันสั่นทุกครั้งที่เข้าใกล้เขาอ้าวเงินพวกเราต้องอดทนอิจฉาของใช่เค้าทําให้เห็นอนาคตนะ ฉันฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นได้โง่นะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉัน I must give the impression That I have the answers for everything You were so disappointed To see me unravel so easily It's only change, it's only everything ฝันดีลูกอเจฝัน กูถูกต้องแล้วร้อยนะถูกฉันไม่สนใจว่ามันผิดหลักอนุสัญญาเจนีวาแล้วใส่อันอ๋อก็รู้อยู่แล้วก็เลยถือโอกาสติดไว้ให้เลย ลากอนเจ้าซับโอ้โห ฉันไม่ก็แค่รอบคอบไว้ก่อนอาหารไปเลยฉันก็แค่จางวันกลับไปคือเจ้าของเดิม คุณนายคือสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ครอบครัวฉันฟังอยู่นะเอ่อแค่หัวทําแป๊บ เฮ้ยเอ่อคุณใช่ไหมครับอะไรอ๋อนั่นคือเอ่อรายการของๆ รู้หรือมากดีไปเลยมันอยู่ไหนในบ้านหลังนั้นอะไรนะไหนเฮ้ยโอ๊ยทําอะไรน่ะย้อนลงมา เอาล่ะฟังนะแผนการเป็นอย่างงี้กับดักเนี่ยอยู่และตรงนี้นี่นี่นี่นี่อันนี่และอีก 2 ไม่ มีไฟแดงๆอยู่แถวๆนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าเวรดูเขียวเชี่ยเออเมื่อ คดีเดี๋ยวที่นั่นมันเหมือนป้อมนั่นมันเหมือนป้อมจริงๆฉันคุณ อุ้ยดังนี่เรดคูนเออไม่แน่ สเปรย์ดับปืนน้ำเขือเท่จุกกอกจุกสวย Miao. Haydi. Haydi. Alhaçalı. Alhaçalı. Alhaçalı. Alhaçalı. อีกแล้วบ้าจริงมันเหมือนจริงเกินไปแล้วบ้า คุกกี้ ถึงเวลาอาจจะตายตอนขั้นสองมันก็เออหวังว่ามันเป็นแมวเบืกนะขอเพลงหน่อยไม่ใช่ ตตตตะเค้าหมายถึงใช่เป็นแมวเออมาสกปรกสกปรก โอฉันไม่ไหวแล้วนะช่วยอย่าแลดูฉันไม่ไหวแล้วฉันเบื่อที่คนอื่นเห็นฉันแล้ววิ่งหนี เออเชื่อเออๆโอเคพวกลุยเลยคุณแกร่งมากแล้วก็มีแจมนี่ฉันคิดว่ามีชื่อ โปรดมีคนเปิดเคลียร์ฉันคือเจ้าว้าวๆ ประจำที่ทุกคนเริ่มเลยฮะมันเล่นๆอุ้งๆโอ้โอเคเจ๊บะอ๋อๆเดี๋ยวนั่นเอ่อไม่แค่ เอาล่ะกลับไปอ่ะนี่นี่เจ๋งๆ มาเร็วเร็วเดี๋ยวให้ไม่ไม่ได้เล่าดีๆใช้ได้เลยใช้ได้เลยนั่นอะไร ไปก่อนที่เค้าไม่ต้องไปเอามนทลุฟ้าเดี๋ยวซั่นดิกแล้วซั่นดิกแล้วอาร์เจขึ้นเต็มแล้วเรียกกลับกันเถอะเดี๋ยว โอ้หลอกมืดมิดแขนขาเริ่ม แม่ไอ้ลอพอไอ้มหาป๋ามาเราต้องรีบแล้วไม่ ขอโทษฉันต้องแวบแล้วนะแสล่ะนี่เธอไม่ผิดแค่เราไปกันไม่ กลิ่นไม่ใบหน้าอันงดงามนี้ได้บทบางกลิ่นพวกนั้นไปหมดไม่ไปไปไปไปไป โอ้เบด้าโจเหลือยครานนายเพิ่งจะถูกกำจัด นี่น้องไม่เอาแบบให้ไม่เอาคุณผู้หญิง ทำอะไรพวกเราอ่ะแม่แม่เอ่อแม่ก็ไม่ไม่อยากตายพ่อ ว้าววินเซนต์ฉันกําลังมัน เหมียนนี้มีทุกอย่างที่ต้องการแต่ฉันเคยมีแล้วนะอะไรพวกเขานายเคยบอกเองนะของตัวเองหรือเปล่านายเชื่อ จริงๆแล้วแล้วตอน İzlediğiniz เขาเอาหมี่มาด้วยยายครับผมมานี่อย่าทําล้มตอนกําลัง คุณนายก็ตาย Hayır. Lü, benim benim. เฮ้ยกระตัดหญ้ามันกระตัดหญ้าเฮ้ยโดนหน้ามันไม่ เฮ้เฮ้เฮ้ลูกระวังอะไรอ่ะหลบโอ้แฮมมี่มา ปะต้องกับ เครื่องโรคไปๆ นี่ยอดเยี่ยมมากไอ้น้องขอบเลเว่นอย่าได้คิดไปแก้ คือคุณไม่ปล่อยเฮ้ย นี่คือนี่คือปลานอกบ้านเหรอฉันชอบมานี่พี่จริงเหรอจริงนั่นฉันรู้สิ่งนี่คือ เส้นทางสู่ชีวิตที่ดีทางสู่ชีวิตที่ดีคุณน่าจะบอกให้เร็วกว่านี้ไป หมายความว่ามีเวลาอีกแค่ 267 วันถึงแฮมมี่ an idol on a friday night in a house built safe and sound on indian burial ground sham in the รู้ไหมพวกมนุษย์อยอย 2 อย่างในเวลาๆถึงเวลาครอบครัวแล้วที่หน้าจอทีวีเอาขนมมาเร็วซื้อตราซื้อตรา ฉันก็อยากเบิ่งจริงมั้ยเหมือนหรือ We're rockin' the suburbs Everything we yeah, need is yeah, here yeah. We're rockin' the suburbs But it wasn't here last year We're rockin' the suburbs was my first ever feeling That's how it's been all around me I'm all lost in the supermarket I can't no longer shop happily I came in here for a special offer A guaranteed personality I'm all tuned in, I see all the programs I save coupons from packets of tea I've got my giant hit discotech album I empty a bottle and feel a bit free Caves in the halls and pipes in the walls Make me noises for company Long distance callers make long distance calls And the silence makes me lonely I'm all lost in the supermarket, I can't no longer shop happily. I came in here with a special offer, a guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket, I can't no longer shop happily. I came in here with a special offer, a guaranteed personality.